ก็รู้สึกว่ามีทุกสิ่งเว้นความสุขแปล ว, ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยเพราะคนที่ไม่มีอะไรเลยก็รู้สึกขาดความสุขเหมือนกันหรือรู้สึกว่าชีวิตว่า ง, งเปล่าเหมือนเหมือนกันความสุขในชีวิตที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการมีข้าวของหรือคนรอบตัวแต่เกิดจากการเอาชีวิตไปทำสิ่งที่รู้สึกว่ามีค่า หรืเกิดจากการเดินชีวิตไปบนทางสว่างสูงสุดความมีค่าตัดสินจากความรู้สึกว่าได้ทําประโยชน์ความสว่างสูงสุดตัดสินจากใจที่เบิกบานถึงความมีค่าและความสว่างมิใช่สิ่งที่หาได้จากเพชรพลอยหรือแสงสีแต่หาได้จากจิตที่มีความเป็นพุทธแล้ว จิที่มีความเป็นพุทธไม่ใช่จิตของคนที่ประกาศตัวว่าเป็นพุทธไม่ใช่จิตของคนที่วิ่งเต้นงานบุญแบบพุทธแต่เป็นจิตของคนที่ไม่อยากก่อบาปก่อกรรมไม่อยากเบียดเบียนใครก่อนและปรารถนาที่จะเอาดีทางจิตด้วยการให้เปล่ากับทั้งเป็นอิสระทางจิตด้วยการเห็นความจริงว่าแม้กายใจในบัดนี้ก็กาลังเปลี่ยนแปลง สิ่งใดเปลี่ยนแปลงให้ดูสิ่งนั้นไม่ควรถูกนับว่าหน้าหลงยึดมั่นว่าเที่ยงต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปต้องเป็นของเราตลอดกาล ร, ระแวงกับไว้ใจระแวงกับไว้ใจ ต่างกันที่ความสุขสงบของจิตถ้าสังเกตดีๆบางทีคนที่ไม่น่าไว้ใจอยู่ข้างในนี่เองเกี่ยวกันตรงๆแปรแวงมากว้าวุ่นมากแะแวงน้อยว้าวุ่นน้อยไว้ใจน้อยสงบน้อยไว้ใจมากสงบมาก โลกนี้เต็มไปด้วยคนไม่น่าไว้ใจไม่ค่อยมีใครตรงไปตรงมาโอกาสว้าวุ่นจึงมากกว่าสงบประเด็นคือเราว้าวุ่นกับความไม่ไว้ใจสองส่วนไม่ไว้ใจคนอื่นกับไม่ไว้ใจตัวเองถ้าสังเกตดีๆบางทีคนที่ไม่น่าไว้ใจก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อ ย, อยู่ข้างในนี่เองตัวตอนที่แกว่งไปแกว่งมา เอาแน่ไม่ได้นั่นละ่ะทำให้ว้าวุ่นกว่าใครอื่นนอกตัวต่อเมื่อคิดอะไรคิดจริงพูดอะไรพูดจริงทำอะไรทำจริงความเด็กเดียวเป็นหนึ่งเดียวจะสร้างความรู้สึกไว้ใจตัวเองขึ้นมาเมื่อมีใจตัวเองที่เป็นจริงคนไม่น่าไว้ใจในชีวิตจะลดลงคนหนึ่งแต่ช่วยให้ชีวิตทั้งชีวิตสงบลงมหาศาล